ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัทเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ต ถ, ถึงองค์ปัจจุบันพระองค์ ม, มหาจักรพัททุกพุะองค์ บารมีรวมพระปัจจิเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่พมมะพัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิศกบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ ต, ตามรูปลักษณ์ของปู่ดู่หลวงปูท่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชั้นผมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจั ก, กรพรรดิพองกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ธรรชีวิตธรรมแปูเจมิธรรมมังชีวิตัรรมแมปูเจมิสังขังชีวิตธรรมแมู่เจมิพุทธทางวันธามิธรรมมังวันธามิสังขังวันธามิ ครุประชาอาจาริย์กุณังวันธามิมาตาปิโุกุณังวันธามิพระไตรศิขากุณังวันธามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะ นาโมตัสสะพากาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพากาวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจามิ ธรรมังสารังฆจชามิสังฆังสารังฆจชามิทูติยามปิอุทธังสาังฆจชามิทูติยามปธรมังสาังฆจชามิ ภูติยามปสังภังสารังฆจามิตาติยามปพุทธังสารังฆะจามิตาติยามปิธรมังสารังฆจามิตาติยามปสังภังสารังฆจามี ปาณาติปาตาเวระมนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอารินาทานาเวระมนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาระพรมัจาริยา เวรามนีสิกขาปัฏางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามนีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุร ตังสมาธียานอมานปัญจสิกขาปทานิสียะิอมานปัญจสิกขาปทานิสมาธียะิอมานปัญจสิกขาปทานิ สีเรนะสุขสิยันติสีเรนะโพกสัมปทาสีเรนะเนปุสิ่งยันติทัสสะมาวิโสทะนะโมตัสสะปะพาวะโตอ s หะสมาสัมปุตตะสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะตุสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานางคารุณ อันโยนะโมโคดิสาโตโรมะอันโยเยโทโตโสมะหิตเตนาพุทธสมิงปาปะปโตมายากรมะทุเนกาตังโตสังส ah ัปปะปะปังสันโต โยโธโสโมหิตเตนาธรรมะสังนิปปะกัโตมายะกามะทมีกาตังโตสังขปะปังว um ินาสันตุโยโธโสโมหิตเตนาสังฆ oh a สังนิปปะกัโต มายาภา마ทมีการทงโทสังสัปพะภาปังนิมัสันโตนโมตัส萨法卡瓦โตอารโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัส萨 a 卡瓦โตอาราหโตสัตสระ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนาโมโฆตายพระพุทธาตรัตนะยามะนีโนภะระติสสาหัสสุธรมมา พุทธธรรมโมสังโฆเยตาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหากีทานังวะรังกันทังสีวารีตมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัดโย อังวันทามมสัพพโสภูธาธรรมะสังฆาปุเสมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตศีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังค ah ันธ ah ์งร ah ีวริจามหาเสรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิอาตโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทาธรรมะสังฆอุเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนัยานมาหีนุรารีสะหาสัทธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธาูชาธรรมะมูชาสังฆามูชาทิธางวรางคันทัง สีวลีกมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิอาตโยอาหังวันทามิสัโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเทนินโมพุทธายะระพุทธายะตนะยานมามีนภา สีสาหาชาสุธรรมะปุถุธรมโมสังโฆยะถาปุโมนะปุถารูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางสีวรีจมหาเถระอาหังวันทามิจุลโตอาหังวันทามิอาทิโย อาหังวันทามิสัพพโสภูตตาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระกุทธไตรยตระนัยานมานีนพรัตสีสาหาสุตธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภุตโมนะ บูธาบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาปีฐานังวารังคันธ์สีวรีจามาฮาเถรังอาหังวันธามิธุระโทอาหังวันธานิอาตโยอาหังวันธานิสักโสพูทาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทายะพระพุทธายะตนะยานมาหนปรัตสีสาหาสัจธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธามูชาธรรมะมูชาสังฆาูชาทีทานังวารังคันธัง สีวะริกามาหาเถระอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมสังฆาปุเะนินาโมพุทธายะระพุทธไทรยตระกัณยานวันีโนปรต สีสาหาสาสุตธรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังสีวะริกรรมาหาราหังวันทาไิทุระโตอาหังวันทาไมทาติโย อางวันทานิสัพพโสโพตาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทายะพระกุทธายะตระมามามานีนอรัตสีสาหาสุทัตมะโพตโทธรรมโมสังโฆยาถาภูโมนะ โอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาหนังวะรังค <c oughs> ันธังสีวารีตมมหเจรังอาหังวันทาณิทุระโตอาหังว ah ันทาณิทาทิโยอาหังวันทาณิสัพพะโสโพทาธรรมะสังฆาอูเชนี เอาแพ่กำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมยา่าทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวณเนี่ยสัพเพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาพาลัพปตาปเจกานันจะยังพลัง อาลหันตานันจะเอเจนะรักขังอาปะโสสาเปพุทาสาเบตัมมาสาเพสังคาอาลพปตาปะเจกานันจายังพลังอาลหันตานันจะเอเจนะรักขัง สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆะภาลพัตตาปัจเจกานจะยังภาขัตานัจะเเจนรักขังปันธานิสพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา ปัจจารปเจกานจะยังพลังอาลหันจานจะเจเจนารับขังปันทามิอภัสสสาเพพุทธาสาเพทัมมาสาเพสังฆาปัจจารปเจกานจะยังพลัง ฮาลาหันตานานจ่าเอเจนารักขังปัญธามิสัพพะภูตธังอธิฐามิธัรมังอธิฐามิสังทังอธิฐามิ อธิษฐานถ้าในฐานรวมกําลังจั ก, กระพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระที่วัดหน้าพระเมนพระที่ทรงเครื่องอมันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กระพัดหรือพระาราหัต ขอบารมีหลวงปู่ดู่ท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ไ้สามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองซับ เพผูธาสัพเตธัมมาสัพเตสังกาภารัปปัตาปัจเจกานันจะยังวะรังภาราหันตานันจะเตเจนารัปขังพันตามิสัพปสุ สาเพพุทธาสาเพฒมาสาเพสังคาอาระปตาปเกกาณจายังบาลังอาราหันตานณจจะเอเจนารักข an ังปันธามิสัพปะโส พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาราปตาปเจตานันเจยังวะรังอาราหันตานันจเตเจนารักขังมีสัพปโสพุทธังอธิฐามิ คมมางอธิฐามิสังคำอธิษฐามิ วันวันหนึ่งเนี่ยเรามีทั้งบุญและบาป ท, ทั้งการกระทำและความคิดท่านให้รวมบุญเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม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 เริ่มตั้งแต่ฐานศีเนกะคัมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศพารมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พระราบตาปัะเจกานันจียงพรังอาราหันตาน ا ن จเตเจนารับขังนิสัพปโสสาเปพุดตาสาเปธรรมมาสาเพสังขา ปัตตาปเจกานันจยังพรังอารหันานันจเจเจนรัขังปันธานิสปัสโสัเพพุทธสัเพธรรมาสัเพสังฆะภาระปัตตาปเจกานัน มาส่ uh huh. uh huh. สังขารภารกิจการปฏเสตารรมนั่นแสดงว่าอาตาจันรนัตติสิารถมีสัพพโสพุทธามัธิตามิธรรมามิตามิ สามครั ง, งอาอิทา